พระธรรมเทศนาแผ่นที่99ลำดับที่11โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่2พฤศจิกายน2559มีชื่อเรื่องว่าอ ย, าย่าแย่งเศษอาหารอา้าพระใหม่นั่งประจำที่ทราบว่า พี่น้องชาวอินโดนีเซียมาใช่ไหมเนี่ยพี่น้องชาวอินโดน ม, มากี่คนนะฮะเจ็ดคนห<ะ>เคนหรอแปดทั้งเราด้วยใช่ไหมเ mm hmm. ก่าทั้งพระใช่ไหม mm hmm. <laughs> โอ้พี่น้องชาวอินโดนีเซีย mm hmm. เดี๋ยวลงพอจะีว้พภาษาอินโดนีเซียให้ฟังนะ สโมกะเบลมาหาเกียั a n ัาาก k terima saksi เอามีความหมายเด้ตรงพรออกที่มีความหมายได้เอสมโมกะเบลมาหาเกียยขอให้มีความสุขความหมายนะขอให้มีความสุข มันอยากเตอริมากาสิขอบใจมากๆใช่ไหมเมีเออแั่นอะสิวันนี้เป็นวันที่สองพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเมื่อวานหลวงพ่อเองออกไปทรสาธาสน ก, กิจที่อุดรตั้งแต่ ตีห้านะลูกหลานกลับมาเมื่อคืนในสองทุ่ม15นาทีดูนาฬิกาไปทั้งวันเลยไปทำงานสอย่างได้ส3 3สานักาธนกิจนะคือไปงานแรกก็คือทางท่านผู้การอํานวยจุนนนยาง มทบผอบมทบ24่ผลตรีนะลตรีอำนวยท่านได้ชาวอินเดียาศาสน า, าศิกนะเป็นอินเดียเป็นแขกอินเดียคุณพ่อของเขาชื่อคุณชนะสิงศัจกุลแต่ลูกชายเนี่ยชื่อคุณจันสิงจันสิงลัตะนะโกวิต คงเป็นนามสกุลไทยเป็นเจ้าภาพสร้างสมประตูแห่งความจงรักภักดีสมประตูที่ค่ายประจักษ์ค่ายประจักษ์ศิลปาคมงบประมาณสามล้านวันนะไม่ใช่ธรรมดานะทำเพื่อจงรักภักดีบอกว่าท่านมาอยู่เมืองไทย แล้วก็ทำมาค้าขายจนเจริญรุ่งเรืองแล้วก็รักเคารพในหลวงมากเต่จะทำอะไรหลายอย่างเราฟังๆดูแล้วสร้างอาคารเรียนให้อุดอรเนี่ยหลายหลังนะโรงเรียนประชาบาล ค, คุณจันสิงค์นะคุณจันสิง์ แล้วก็คราวนี่ก็มาสร้างค่ะประตูที่หินแกลนิตหลวงพ่อก็อืมก็ดีเพราะว่าเมืองอุดอรของเราที่จะเป็นเมืองอุดอรขึ้นมาได้ก็ต้องนี่แหละขุนประจับศิลปาคมนะถ้าหลวงพ่อจะไม่ผิดก็าเป็นลูกของรลอห้า เลือดหลานก็ไม่รู้ละ่ะหลวงพ่อก็ไม่ได้นะแต่ว่าจากขุบนุ่นละ่ะที่มาสร้างเมืองอุดรที่แรกก็ส่งทหารมาเรียบฝั่งแม่น้ําโขงแต่กฎหมายเขาไม่ให้เอาทหารไปชิดฝั่งเดี๋ยวมันจะทะเลาะกัน เ, ออเดี๋ยวก็ยิงปืนถล่มกันได้ง่ายเขาเลยเอาทหารให้ขยับทหารออกมาให้ห่างจากให้ห่างจากฝั่งทางนู้นก็ ม่ให้อยู่ติดท่านเลยก็ให้ขยับผางท่านก็เลยมองหาทำเลเที่เหมาะสมท่านก็เลยได้มาได้เมืองมักแข้งเมืองอุดรเลยที่ว่ามักแข้งมักแข้งมักแข้งพวงของเรามะเขือพวงของเรามักแข้งมักแข่งใหญ่ท่านก็เลยมาตั้งเมืองอยู่เมืองอุดรเรียกว่าถนนมักแข้งยังมี มีชื่อมีนั้นอยู่โรงเรียนหมักแข้งก็ตั้งเมืองขึ้นมาดูสุตๆแลโอ้ท่านสายตาของท่านมองไกลมองกว้างขวางขนาดพวกเราเป็นลูกเป็นหลานทุกวันนี้เราก็ยังว่าเมืองอุราเป็นเมืองที่สมองรภูมิทําเลดีมากจะมองไปทางทิศตะวันออกทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกกว้างขวางเมืองอุราน สรุปแล้วก็คือเมืองอุดรเป็นเมืองของทหารที่ท่านหลวงประจักษ์ศิลปาคมเป็นผู้มาตั้งมาวางเพราะฉะนั้นที่จะทำป้ายทาป้ายทหารขึ้นมาอยู่หน้าค่ายทหารหลวงพ่อเป็นการเชิดชูบูชาในสกุลที่ ร, รักษาประเทศชาติบ้านเมืองค่ายประจักษ์ศิลปาคม เมื่อวานในหลวงพ่อก็ได้ไปทำพิธีทางศาสนาแล้วก็จากนั้นก็วางไปวางศิ ล, ลาฤกษ์นะเมื่อวานกับเจ้าของผู้ที่เขาเสียสละทุนทรัพย์นันขณาบูชาน้ำใจขนาดคนไทยทำพ่อหลวงทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติแต่ยังบางคนก็นยังมองไม่เห็นแต่เขาเป็นคนต่างชาติต่างภาษา เข้ามาทํามาค้าขายในพื้นแผ่นดินไทยก็ยังมองเห็นคุณค่าเห็นพระคุณผู้มีอุปกรคุณที่ให้คุณกับแผ่นดินนี่ให้พวกเราคณจจะรัทยา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนนะที่พูดท้งนี้ทางนั้นให้ฟังไม่ใช่ว่าของยกยอปอปันให้พวกเราใช้สติใช้ปัญญาใช้ความอรอบขอบพินิษวิเคราะห์ หลวงพ่อวดัดในหลวงมีครูโง่ประการอย่างพระพุทธเจ้าบรมครูของพวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าเรามองยังแบบหนึ่งก็มองไม่เห็นแต่ถ้าหากว่ามองเข้าไปแล้ววัฒนธรรมวัฒนธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมของเมืองไทยที่มีกิริยามา ร, รยาทอย่างไรล้วนแล้วแต่ออกมาจากพุทธศาสนก พศาสนาทางนั้นเป็นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทางนั้นที่พวกเรามีสัมมากระวะอ่อนออน้อมถ่อมตนไหวยพุทธขุนวุทธการสถานที่บุคคลเราควรจะวางตนอย่างไรนี่แหละเรื่องพุทธศาสนาท่านสอนไว้หมดนี่แหละวัฒนธรรมถ้าเรามองไปแล้วเนี่ย เราจะมองคําพุทธศาสนาไม่ได้วัฒนธรรมไทยคือวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนานั่นละปลูกฝังกันมาตั้งแต่ดึกดำบรนตั้งแต่ยาวนานทีเดียวเพราะนั่นก็ให้พวกเราลูกหลานทุกๆคนเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยนะับว่าเป็นผู้โชคดีอย่างมากแต่ขอสำคัญอย่าให้ทะเลาะกันให้เห็น มีน้ำใจเอ็นกว้างขวางนั่นหะตัวนัานะเลิดประเสริฐแต่พวกเราหนุแหวกแนวไปเรื่อยๆทั้งทีพระพุทธาศาสนาสอนอีกอย่างหนึ่งพวกเราก็สู้กิเลสราคะราคะโทสะโมหะในจิตใจของตนเองไม่ได้โลภโกรธหลงในในหัวใจตัวเองไม่ได้คำว่าโลภก็โลภจนไม่มองหน้ามองตาจนไม่มองใครอพอจะมันกิน มวนกินทั้งเนื้อทั้งหนังทั้งเอ็นทั้งกระดูกนะไม่ได้มองใครอันนี้แปลว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนนะสอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนมิตะว่าให้มีเมตตาต่อกันผู้มีกับผู้จนคนจนก็ต้องยอมอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างหนึ่งใช้ใช้กำลังคนที่มีก็มีเมตตา เฉลือเผื่อแผ่อย่าไปกินแรงเข้ามากให้ถูกต้องตามกฎกติกาการกฎระเบียบที่ได้วางเอาไว้สรุปแรกก็คือพุทธศาสนาสอนให้มีเมตตาต่อกันให้มีผู้น้อยให้มีผู้ใหญ่ให้มีสัมมาคารวะให้รู้จักก า, การสถานที่บุคคลการสถานอย่างนี้การอย่างนี้สถานที่อย่างนี้ บุคคลเช่นนี้เราควรจะเมื่อเข้าไปหาเราควรจะทำตนอย่างไรในหลักธรรมความสอนของพระพุทธเจ้าหรือท่านสอนไว้หมดนะคณะสัทธาญาิโยมพวกเราศึกษาเพราะนั้นเรื่องจริยธรรมคือความประพฤติวัฒนธรรมคือการวางแนวทางสำหรับประเทศไทยของเราเนี่ยก็คือออกมาจากพระพุทธศาสนาเกือบั้งนั้นเลย จะวัดทั้งนั้นเลยก็ไม่น่าจะผิดแต่ทีงไงก็ขอให้พวกเราฝืนสู้พิจารณาการการะทำสิ่งไหนก็ตามจากวัดของเราก็งเช่นเดียวกันนะการเป็นอยู่ด้วยกันการเป็นอยู่ด้วยปัจจัยสี่อันนี้ก็เป็นของศรัท ธ, ธา ญ, ญาติโยมเขาถวายเขามอบให้มา เขาถวายมาพอได้มาแล้วเราได้รับแล้วมาทะเลาะกันอย่างวัดต่างๆที่เคยเห็นสรุปแล้วมันน่าสลดสังเวชใจเขาให้มาเขาขอให้มาด้วยศรัทธาสรุปแล้วคือเขาให้มาน้อยเดียวที่เขามีมันมีมากกว่ารสรุปแล้วเมือนเขาถุยหรือขากเสเลดออกมานะนะ่นี่ะพวกเรามาแย่งกันเน่ ทะเลาะวิวาทกันอติเละกระลาบของเขาเขาเพียงแค่นั้นแหละแสดงว่าจิตใจไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมที่ดีถ้าคนที่มีจริยธรรมที่ดีแล้วมันต้องมองว่าอันไหนเป็นอันไหนเรามุ่งหวังอะไรเข้ามาสู่วัดวาศาสานาเราเป็นพระเนี่ยเรามุ่งหวังอะไร เราเป็นศรัทธาญาติโยมเรามุ่งหวังอะไรเข้ามาสู่วัดวาศาสนาเอ่ที่ใช่ที่เข้ามาสู่วัดเราก็ต้องวางตัวอีกอย่างห น, าานึ่งเรียกว่าการสถานที่บอกเหรอการสถานที่เมื่อเข้ามาสถานที่แห่งนี้เราควรจะวางตัวอย่างไรในเมื่อออกไปข้างนอกเราควรจะวางตัวอย่างไร ไม่ใช่ว่าข้างนอ ก, กวางตัวเหมือนข้างในข้างในวางตัวเหมือนข้างนอกอันนั้นเป็ว่างโง่อีกเหมือนกันนะไม่รู้จักการวางตัวเมื่อเข้าไปหาผู้ใหญ่เราควรจะวางตัวยังไงอย่างจะเข้าไปในที่เขาไปจัดให้ไปคารวะพระบรมศพอย่างนี้ล่ะเราควรวางตัวยังไงแต่งตัวอย่างไร การาแต่งตัวก็ยังไม่ถูกทั้งที่เขาได้บอกเหมือนกับเด็กกับ <g rap> ประกาศแล้วบอกอีกควรจะวางตัวอย่างไงควรจะทําตนอย่างไรจึงจะเหมาะสมถูกต้องการละเทศะอย่างนี้ถ้าว่าเราไม่ไม่อยากจะไปอย่างนั้นเราจะไปไปทำไมในเมื่อเราจะเอาอย่างใจตัวเองไปอยู่ที่ไหนก็ได้แก้ผ้ายอยู่ก็ได้เป็นไหลอยู่ในป่าอยู่ตามลาพัง แตเข้าสู่ชุมชนแล้วจะไปทําอย่างนั้นได้อย่างไรนี่แหละสรุปแล้วก็คือนี่แหละกาลเทศะการสถานที่เราควรจะวางตนอย่างไรถ้าเรามันวางตัวไม่ถูกมันขวางโลกเขานะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราลพระเนรลูกหลานทุกองค์ที่หลวงพ่อพูดกล่าวให้ฟังให้พวกเรารู้จักการวางตัวกาลเทศะการสถานที่บุคคลแล้วก็พร้อมกัน เราเป็นอยู่เป็นอยู่ทุกวันนี้เป็นอยู่ด้วยอย่างไรเป็นอยู่ด้วยปัจจัยสี่ปัจจัยสี่นั้นเป็นมาอย่างไรได้มาจากไหนอย่างไรเรื่งเหล่านี้เราก็ต้องมองอี ก, อกเหมือนกันอย่าไปลืมตัวจะุบแล้วเพียงท้าก็ยนหวานเข้าให้กินไก่กินหน่อยเดียวนะลืมตัวทั้งเตะทั้งตีบทั้งเทีบกันตั้งต่อยตั้งจิกหัวการเตะกัน ฮะทำไมเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ว่าโง่ลืมตัวจะไม่ว่าไม่รู้ว่าจะว่าอย่างไงอีกเหมือนกันเพียงเขาหวานเข้าให้กินหน่อยเดียวเท่านั้นตั้งเตะทั้งทีบกันเพราะในจริงเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงเราได้มาศึกษาธรรมะเข้ามาศึกษาสู่วัดว า, าศาสนาคำว่าละขายเครื่องด้วยปัจจัยสี่ยาได้มี ในเมื่อเข้ามาหาหลวงพ่อมาศึกษาธรรมะขะหลวงพ่อนะ่ะคำวันละคายเครื่องเกี่ยวกับปัจจัยสีนะ่อย่าได้มีเราหลวงพ่อให้เดินยังไงให้เดินสู่มักสู่ผลสู่มักผลในพ่านอีกไม่นานแ่ะต่างคนก็ต่างตายวันนะั้นมากมายต่อมากมายเมื่อวานกับไปนะั <c> ่น <oughs> กับไปงานศพนะั่ก่อนทีน่จะเข้ามาถึงวัดถึงสองทุ่ มีแต่เรื่องตายทั้งนั้นเราคิดว่าจะตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเราคิดว่าเราจะตายเป็นอย่าลืมตัวอันไหนที่ถูกต้องอันไหนเป็นธรรมเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันแล้วผิดถูกไม่รู้เหรอขนาดไม่รู้จักผิดไม่รู้จักถูกโง่ามากเกินไปขนาดวางตัวในโลกก็ยังวางไม่ถูกาะว่าไห้พวกเราทุกๆ ท, ท่านทุกคนะที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นให้ฟัง ว่าอยู่ในวัดไม่ว่าอยู่นอกวัดถ้าผู้ฟัง เ, เป็นสิทธิ์อของหลวงพ่อแล้วนะต้องสํารวมระวังมีอะไรปรปับปรุงแก้ไขกันได้สนทนาการได้ทำความเข้าใจกันได้ถ้าเข้าใจผิดถ้าหาว่าทำความเข้าใจแล้วยังไม่ฟังยังดันทุกลังอันนั้นแปลว่าเรื่องกิเลส เ, เ, เรื่องกิเลส ตาพเรื่องกิเลสมันเข้ากันไม่ได้ทั้งนั้นแหละกิเลสกับธรรมจะเข้ากันได้ยังไงกิเลสมันต้องเขียออกนี้ให้ไกลๆอยู่ในหัวใจใครมีแต่มันไม่มีมันไม่มีความเจริญงอกงามหรอกกิเลสในหัวใจมีแต่ทัดกัดกร่อนให้ตัวเองเศร้าหมองไปเรื่อย ไปสู่นรกอเวจีไปเรื่อยๆเพล่หลยียเพราะกิเลสพาไปถ้าทำพาไปแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกคนนะสรุปแล้วก็คือโอปัญิโกให้มองตนเองถ้าพ ว, พวกเรามองตัวเองมองเจ้าของอย่างท่านเจ้าคุณเมื่อกี้ลงไปกรุงเทพไปกราบคารวะท่านหลวงพ่อไปกราบท่านท่านบอกว่าผู้ใดก็าตามอยู่ทนะ่าสถานที่ใด ให้มองเจ้าของให้ดูเจ้าของเนอะ <c oughs> ทำไอทำไมล่ะถ้าไอรู้จักไม่ไอดูทำไมอยู่ตรงเนี้ยนั่งไกลๆก่อนนั่นได้ไหมถ้ามันไอกระยับมันจะไอก็ออกไปสินี่แหละอันนี้ก็คือผู้ใหญ่พลวงพ่อฟังแล้วก็ซึ้งในใจเพราะเหตุห อ, อะไรเพราะทุกคนถ้ามองตนเองมันต้องมีเห็น จุดบกพร่องที่มันเต็มตื่นแล้วก็ดีถ้าเต็มตื้นก็จริงอยู่ถูกต้องแต่มันไปเหยียบคนอื่นหรือเปล่ามันไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรือเปล่าที่เราทํามันถูกจุดนี้แต่มันถูกจริงอยู่แต่มันเหยียบคนอื่นเขาจนคนคนอื่นเขาเดือดร้อนจนเกินไปเราก็ต้องมองอีกเหมือนกันต้องพยายามลด ว่าลดลาวาสอกลงไปอย่าให้มันไปกระทบกระเทือนคนอื่นจนคนอื่นเขาเดือดร้อนสิ่งเหล่านี้ก็เราก็ต้องคิดอีกเหมือนกันแต่เว้นเสียทุกคนนั้นยังดันทุลังอยู่มันไม่ยอมฟังใครขนาดนั้นจากนั้นก็ต้องจับเขาคุกนะถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะไม่ยอมฟังใครมันดันทุลังมันก็ต้องมีอีกเหมือนกันนะมันหลายขั้นตอนแต่เราต้องมองแต่ ตัวของเราเนะี่ยมองที่เราทำไปมันผิดไหมมันเกินไปหรือเปล่าอันนี้เราต้องมองตนเองอีกเหมือนกันอย่างหลวงพ่อบอกนะถ้าไอแกกๆอยู่ทามันมาอยู่ทำไมาตรงนี้รู้จักคนตัวเองจะไออยู่หลวงหลว ง, งพ่อพูดเกินไปหรือเปล่าหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อพูดถูกนะเอพอพะพวกเราทุกคนนั่งฟังด้วยกันทุกคนมีเสียงไอขึ้นมาไอตัวเองก็ยังไม่รู้จัก มันก็ต้องขยับออกไปเวลาจะไอทุกคนนะที่ไหนยินเสียงหลวงพ่อเนะี่ยถ้าใครจะไอต้องปิดปากก็ไปไอที่อื่นเห็นไหมเนี่ยขนาดชนีหลวงพ่อเนะสมชายมันยังไม่มาร้องไกล้วันนะึงไปร้องอยู่ไกลๆเราไม่ว่านะถ้ามันร้องไกลเนีะ่ะถูกอย่างจะติ๊กเหมือนกันแออเพราะอะไรเพราะมันร้องไกลมันเสียงรบกวนใช่ไหมล่ะช่วงนี้มันไม่ใช่ช่ชวงที่เออ ถาหลวงพ่อหยุดเทศหยุดพูดอลไใครจะอายยังไงก็ได้นะแต่จะไปร้องเพลงเออเออเงยเอเอเงยทนานาั่นต้องอยู่ในความสงบนะ <c oughs> มาอยู่วัดต้องรู้จักกาละการส ถ, ถานที่บุคคลนะรับพรในที น, นี้นะ